วันนี้เป็นวันพระเดือนสองดับเป็นวันพระใหญ่อีกไม่นานก็คงจะเป็นวันมาฆาบูชายัานี้ก็เข้าปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดวันนี้เป็นวันพระพร้อมกันเป็นวันอุโบสถแล้วก็เป็นวัน ประชุมพร้อมการไหว้พระสวดมนต์ฟังธรรมปฏิบัติตามการที่มาพบมาเจอไว้พวกเราทุกๆ ท, ท่านตั้งใจให้ดีตั้งใจรองรับสิ่งที่จะเกิดสาระที่เกิดประโยชน์ ตั้งภาชนะหงายรับธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถ้าว่าเราคว่มกระป๋องคว่มกระมังคว่มเอาปากกลงเอาก้นขึ้นฟ้าจะเทน้ำอบน้ำหอมน้ำหมาสมุทรทะเลมันก็เข้าไม่ได้ นี้ก็เหมือนกันใจของเราถ้าหากว่าเราไม่หงายรับปิดถูปิดตาปิดความรู้สึกปิดความเชื่อปิดศรัทธาปิดปัญญาไบหมดถึงจะเป็นพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่มีเหตุมีผลพวกเราก็ไม่รับรู้รับทราบถ้าหาว่าปิดอย่างนั้นแล้ว แปลว่าเป็นผู้มืดบอดเพราะนั้นทําคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนาหรือ ท, ทาคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ประกาศออกมาเนี่ยพวกเราอันดับแรกต้องหงายภาชนะรับการหงายภาชนะรับนั่นคืออะไรคือตั้งศรัทธาเป็นเบื้องตน้นคือความเชื่อตั้งศรัทธาคือความเชื่อไว้ก่อนว่าพระพุทธเจ้า ท่านเป็นกษัตริย์ท่านออกบวชบาเพ็ญอยู่หปีและพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทนต่อการพิสูจน์มาถึง2 5 0พกว่าปีที่มาตกมาถึงพวกเราในเมื่อตกมาถึงพวกเราพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นที่ท่านประกาศมาทนต่อการพิสูจน์มาถึงสองพันกว่าปีนั้นมีอะไรบ้างที่เป็นสาระที่เป็นประโยชน์ จากนั้นเราก็ตั้งความเชื่ออาจจะมีดีจึงจะอยู่ได้ถึงขนาดนี้ควรจะดีดีอย่างบางอย่างท่านจะให้ใช้อะไรในการพิสูจน์ให้ใช้อะไรเป็นการวิเคราะห์จากนั้นก็เราก็หงายภาชนะรับคือตั้งศรัทธาคือความเชื่อไว้ก่อนจากนั้นเราก็ศึกษาทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ทานทานเป็นการเสียสละ เป็นการสิ้นเปลืองสําหรับที่เราสาะแสวงหาทรัพย์มาได้แล้วทําไมไม่เก็บไปใช้ด้วยตนเองทําไมจึงพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เสียสละทําไมให้แบ่งปันมีเหตุผลอะไรพระพุทธเจ้าจึงสอนให้แบ่งปันอันนี้เราก็ต้องวิเคราะห์ดูว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ทานทําไมจึงสอนให้ทานของมาหามันด้วยน้ําพักน้ําแปรงกว่าจะได้เงินคําทรัพย์สมบัติ แต่พระพุทธเจ้าทำไมจึงสอนให้เสียสละอันนี้ก็คือข้อหนึ่งศีลพระพุทธเจ้าทำไมท่านจึงให้รักษาศีลมีประโยชน์มีคุณค่าอย่างไรในการที่จะรักษาศีล น, นั้นสำหรับศีลครวาต์สำหรับศีลของสัมมาเนนสำหรับศีล ข, ของพระทำไมพระพุทธเจ้าจึงให้รักษาศีลจึงวางกรอบของศีลเอาไว้ เพื่อประโยชน์อะไรอันนี้เราก็ต้องมาวิเคราะห์จากนั้นท่านสอนเรื่องสมาธิศินสมาธิทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้จิตใจรวมสงบเป็นหนึ่งทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พิจารณาใช้ปัญญาพิจารณาค้นคว้าในการเป็นอยู่ในแนวความคิดในการจิตที่ไป เกี่ยวข้องจิตที่ไปติดข้องในเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้ดมกลิ่นลิ้นในริมลิ้นทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้รับรู้ในสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วอะไรคือสาระสําคัญในหลักของพระพุทธศาสนาจุดยืนของพระพุทธศาสนานั้นคืออะไร แกนสารหรือแก่นสาระที่พระพุทธเจ้าต้องการนั้นคืออะไรสิ่งเหล่านี้เราเป็นชาวพุทธเราต้องวิเคราะห์เราต้องใช้ปัญญาตั้งแต่เบื้องต้นตั้งแต่เรื่องทานศีล ส, สมาธิปัญญาต้องวิเคราะห์ด้วยปัญญาด้วยความเพียรถ้าว่าเราใช้แต่ความเชื่ออย่างเดียว หรือเราปิดซะปิดสวิตซ์ซะหรือความมอซะความกระป๋องซะไม่รับรู้ไม่รับทราบถึงจะเป็นของดีขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะรับรู้อย่างรู้ได้เพราะนั้นพวกเราเป็นพุทธมามะกะพุทธบริษัทภิกษุสัมมาณีอุบาสกอุบาสิกาเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธศาสนาเป็นสาวกของพระพุทธทเจ้าควรจะใช้ สติใช้ปัญญาใช้ศรัทธาใช้ความเพียรใช้ความอดทนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อวิเคราะห์ทำนั้นๆหลักจุดใหญ่ของหลักของพุทธศ า, าสนาจุดสูงสุดพระพุทธเจ้าท่านให้ชำระกายวาจาใจชำระใจจุดใจคือชำระใจ ให้ออกจากโลภโกรธโกลงใจนั้นเป็นนามธรรมมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อแต่จะชำระอย่างไรในหลักการชำระใจก็คือให้รับรู้เรียนรู้ให้เข้าใจเหมือนแต่ก่อนเราไม่รู้จักบวกลบคูณหารแต่เราทำไมจึงเรียนรู้ได้เราจึงทำไมจึงบวกลบคูณหารได้ บวกลบคูณหารนะมีประโยชน์อะไรสำหรับเรามันก็มีประโยชน์แต่นี้การชำระจิตใจก็เช่นเดียวกันเราจะชำระยังไงใจของเราจะเที่ยงตรงใจของเราจะหมดจดใจของเราจึงจะบริสุทธิ์อันนี้ก็ต้องใช้หลักพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้ามาใคร่ควรไม่ไตร่ตรองมาพิจารณาหลักของ่องการไข้ ค, ควรพิจารณาอันนี้ก็คืออะไร คือมักแปดสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเป็นเบิกตนสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตอชจิโววายโมสติส ม, มาธิสรุปลงรวบรัฐก็คือสินส ม, มาธิปัญญานั่นเองอันนี้คือว่ามักแปดที่จะชำระจิตใจให้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสไปได้เะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะ เอต้องใช้ปัญญาการนับถือพุทธศาสนาไม่ใช่ว่านับถือโบราณเขานับถือมาเราก็นับถือไปเอเขาถือมาแล้วก็ถือไปต่อแต่ตามไม่จริงเหลักของพุทธศาสนาเนี่ก่อนที่จะนับถือเนี่ยต้องวิเคราะห์เราจะนับถืออะไรเราจะยึดอะไรมาเป็นหลักเราต้องดูไตรตรองเหตุและผลซะก่อนก่อนที่เราจะถือไม่ใช่ว่าเขาว่าเอออันนี้ เป็นเงินนะทั้งที่เป็นกระดาษเศษเขาถือว่าเ ป, เป็นเงินเป็นทองนะเราก็มาถือมาแบกเอาไว้ทั้งที่มันไม่มีสาระไม่มีประโยชน์เพราะคนเขาถือพาถือมาเราต้องวิเคราะห์ว่ามันมีคุณค่าอย่างไรที่เราถืออยู่เนี้ยถ้ามันไม่มีคุณค่าเราก็ปล่อยวางเราก็ยึดสิ่งที่เป็นสาระที่เป็นประโยชน์เป็นกระดาษเหมือนกัน แต่ว่ามันมีคุณค่าเงินเงินเงินกันเป็นกระดาษแต่กระดาษทั่วๆวไปมันก็นเป็นกระดาษถึงจะปเป็นกระดาษเเลื่อมระยิบระยับดูเหมือนกับมีคุณค่าแต่มันสู้กระดาษที่มีคุณค่าที่เขาสมมุตินี้ขึ้นมาไม่ได้ น, นี่ก็เหมือนกันการที่จะถือสิ่งไหนก็ตามโ บ, บโบราณโบราณที่พานับถือมาถือมาเราก็ต้องวิเคราะห์ดูมีเหตุมีผลอะไรทําไม ต้งพิสูจน์ว่างั้นทุกสิ่งทุกอย่างมีคุณค่ารถมีคุณค่ารถราทั้งหลายมีคุณค่ารถยี่ห้อไหนก็มีคุณค่าแต่จะให้มีคุณค่าเสมอกันนั้นเป็นไปไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันศาสนาทุกศาสนามีคุณค่าแต่จะต้องวิเคราะห์ด้วยปัญญาเพะพระพุทธเจ้าท่านสอนเนาะในการามชนการามสูตรท่านให้ใช้ปัญญานะ หลักของพุทธศาสนาเนี่ยไม่ให้ใช้แบบเขาถือมาแล้วก็ถือไปเขาเชื่ออย่างไงแล้วก็เชื่อยอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นแล้วพุทธเจา้าท่านไม่ให้เชื่ออย่างนั้นอย่าไปเชื่อตามที่คนที่เขานับถือมาอย่าไปเชื่อตามที่บุคคลที่ควรเชื่อถือได้อย่าไปเชื่อตำรับอย่าไปเชื่อตำรามีหลายอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านแนะนำสั่งสอนจปแล้วก็คือต้องใช้ปัญญาต้องใช้การวิเคราะห์ ต้องใช้ปัญญาตัวเองว่าเหตุผลอย่างนี้เพราะอะไรอย่างเบื้องต้นที่ว่าทําไมจึงให้ทานอานี้คนที่ตนีทีเหนียวคนที่ไม่มีการให้ทานคนที่ไม่มีเสียสละคนที่ไม่แบ่งปันให้แก่ใครใครอไป่าเป็นคนขี้ตนีทีเหนียวมากคนประเภทนั้นเนี่ยจะกว้างขวางได้ไหมจะรักษาประเทศชาติได้ไหมจะมีหมูมีเพื่อนไหมจะมี วงศาขนาญาติไหมคนประเภทอย่างนั้นดูแล้วมันเป็นไปไม่ได้ถ้าคนที่กว้างขวางล่ะมีการแบ่งปันมีการเสียสละรู้จักให้ธรรมะรู้จักให้แนวความคิดรู้จักควรจะให้อันไหนเขามีความขัดข้องอย่างไรพอจะช่วยเหลือเขาได้ไหมเนื่อเข า, เอาไม่มีข้าวกินข้าวของเรามีเราให้ข้าวเขากิน อมือเดียวเขาก็พอ อ, อกพอใจดี อ, อกดีใจ เ, เมื่อเขาตกทุกข์ใดยากเราพอใจช่วยเขาได้ไหม เ, เมื่อการเสียสละให้แก่เขาเขาได้รับความอุปถัมภ์จากเราและให้ความอนุเคราะห์จากเราไป เ, เขาก็ยินดีที่จะช่วยเหลือเราจากนั้น เ, เมื่อเราเสียสละต่อเขาให้ทานะคือการให้แก่เขา ให้ธรรมะแก่เขาให้ความรู้ความฉลาดแก่เขาสงฆ์ข้ออนุเคราะห์เขาเหมือนกับเราเป็นต้นไม้ที่มีร่มเงาที่ใบดกหนาที่มีผลระบากรากไม้เต็มนกกาเก็เข้ามาพึ่งพาอาศัยอันนี้ก็คือทานะคือการเสียสละแต่ทำอะไรก็ตามอย่าให้เวอร์อย่าให้เกินตัวต้องให้รอบครอบ ในการให้ในการเสียสละไม่ใช่ว่าจะไปกู้ยืมคนอื่นมาให้หรือว่าไปลักขโมยคนอื่นมาให้ให้คนอื่นอันนั้นไม่ถูกต้องในเมื่อเราได้มาโดยเป็นธรรมเราก็ควรจะแบ่งปันให้เกิดสละเกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชุมชนแก่พี่น้องประชาชนชุมชนแก่ประเทศชาติบ้านเมืองอย่างไรอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องช่วยกันสงเคราะห์อนุเคราะห์ แต่ถ้าว่าคนไม่มีน้ําจิตน้ําใจคนไม่มีการสงเคราะห์อนุเคราะห์คนไม่มีทานะคือการเสียสละแล้วเออเหมือนกับไม้แห้งยืนอยู่กลางท้องนาน่ะตายืนอยู่กลางท้องนาไม่มีใบไม่มีดอกไม่มีผลไม่มีใบเพราะไม้ไม้แห้งะต้นไม้มันตายออะืมไม้มันแห้งเพอเพยยังมีกิ่งของมันหล่นลงไปใส่หัวคนอีกหล่นไปลงไปหาสัตว์อีก สัตว์ทั้งหลายจะไปพึ่งพาอาศัยต้นไม้แห้งได้อย่างไรก็คนหนีหมดเพราะขาดความอบอุ่นขาดความร่มเย็นขาดการที่พึ่งพิงอาศัยเพราะนั้นคนที่ไม่มีน้ําใจคนไม่มีการเสียสละคนไม่มีจาคะฆาเหมือนกับต้นไม้แห้งยืนอยู่กลางยืนอยู่ในที่แจ้งตายยืนอยู่ในที่แจ้งแต่ถ้าว่าคนผู้ใดมีจิตใจอบอ้อมอารีมีการเสียสละ ให้แก่บชมชนชมชนก็ให้ความเคารพรักเหมือนกับต้นไม้ที่มีดอกมีผลมีใบดกหนาอันนี้ก็คือทานะทานะคือการให้คือการเสียสละให้แก่ความรู้ให้อภัยให้อภัยทานก็เป็นการให้เหมือนกันให้สิ่งของให้ความอบอุปป่นทางจิตใจให้เป็นที่พึ่งพิงอิงอาศัย สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วจะเป็นการเสียสละสรุปแล้วก็คือมนุษย์อยู่ด้วยกันก็ต้องมีการพึ่ง พ, งพิงอิงอาศัยกันเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาที่ว่าทานะเน่เป็นเบื้องต้นทานคือการให้ทานศินรักษากายวาจาให้เรียบร้อยคนที่มีศินไปอยู่ในสถานที่ใดก็เป็นที่ยอมรับไม่ไม่เป็นที่ระแวงแคลงใจต่อเพื่อนมนุษย์ชาติด้วยกัน ไปอยู่ด้วยกันถ้าว่าเป็นผู้มีศินขนาดมดขนาดยุงขนาดสัตว์ก็ยังไม่ฆ่าอแล้วจะจะไปฆ่าคนได้ยังไงแต่ถ้าว่าคนไม่มีสินกิตติศัพท์ไม่ดีคนคนเนี้ยเป็นผู้ไม่มีศินนะเป็นคนดุร้ายโมโหโทโสนะคนทั้งหลายที่จะไปเป็นเพื่อนกันไป น, นอนร่วมกันก็หวาดระแวงเหมือนกันน่ะกลางค่ํากลางคืนมาอาจจะโมโหมาฆ่าเราปาดคอเราลัดคอเราก็าได้ เพราะคนเป็นผู้ไม่มีศินมันต้องระวังอคือสินข้อที่หนึ่งการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นยังไงสัตว์เล็กสัตว์น้อยเขาก็ยังไม่ฆ่าไม่ต้องพูดถึงสัตว์ใหญ่ตลอดถึงมนุษย์การให้อภัยซึ่งกันและกันอันนี้คือสินพระพเจ้ามีคุณค่าเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันได้เป็นที่ยอมรับกันได้ถ้าว่าไปอยู่ด้วยกันก็ชัดทั้งหลายก็ตายใจ เหมือนกับในวัดของเราอย่างเนี้ยอพวกลิงข้างบางชนีก็รอกกระแตเห็นพระมันก็ไม่บาดไม่กลัวเพราะพระไม่ได้ทําอะไรมันถ้ามันเห็นชาวบ้านเป็นไงวิ่งหัวสุกหัวสุนหนีเอออย่างขนาดหนักเพราะเหตุอะไรเพราะว่าเขาฆ่ามันเขาเบียดเบียนมันมันรู้มันกลัวแต่มันเห็นพระมันมันไม่กลัวเออให้ค้าวบอกมันคุ้นเชื่องตีสนิทสนม เพราะอะไรเพราะว่าพระไม่ฆ่าสัตว์ น, นี่แหละการไม่ฆ่าสัตว์เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันได้ไม่ว่าสัตว์ไม่ว่ามนุษย์อทินาทานก็เหมือนกันอธินนาทานการไม่ขโมยของคนอื่นไม่เบียดบังของคนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับหน้าที่การงานกาเกี่ยวกับการเงินเสจะแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งศินเรื่องอทินาทานถ้าว่าคนนั้นยักจอกคนนี้เบียดบงัง กินเล็กตอดเล็กตอดน้อยก็ขโมยจะไม่เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันถึงเขาจะทําไปแล้วก็ตามผู้ที่เกี่ยวข้องก็ต้องไปตรวจไปสอบอีกครั้งหนึ่งเพื่อความมั่นใจว่ามันไม่รั่วไม่ไายจริงหรือเปล่าถูกต้องหรือเปล่าที่บัญชีเขาทําลงไปนั่นสิ่งเหล่านี้ก็เมื่อเราเป็นผู้มีศินด้วยกันแล้วทําด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อกันแล้วก็เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันแต่ถ้างว่าเป็นผู้ไม่มีศินแล้ว มันหาความไว้วางใจกันไม่ได้เนี่ยสินของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าไหมแหมที่ยกประเด็นขึ้นมาเพียงสองข้อที่สามการเมศจุวิษณ์สาอาจารลูกสามีพรนยาลูกเต่าเราล้านญาติพี่น้องของเราถ้าว่าทุกคนเป็นผู้มีสินปล่อยไปที่ไหนไปกับใครก็เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันถ้าว่าเราเขาเป็นผู้ไม่มีศินแล้วต่างคนต่าง ระวยงระวังอไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันเป็นทุกข์ทั้งสองฝ่ายทั้งของเขาของเราเพราะนั้นศีลของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าสรุปแล้วกาเมอทินนามุสาก็เหมือนกันการโกหกพกลมพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่ากโกหกกันนะและทําเรามาวิเคราะห์ดูคนที่โกหกล่ะหาความซื่อสัตย์ไม่ได้หาความสัต์จริงไม่ได้ โกหกตอแหลเราจะไว้เนื้อเชื่อใจไหมคนประเภทอย่างนั้นเราจะนับเป็นหมู่เป็นเพื่อนของเราได้ไหมไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะเขาเป็นคนไม่มีคาสั์ความจริงในตัวเองแล้วก็ไม่มีความสั์จริงต่อหมู่ต่อเพื่อนต่อผู้บังคับบัญชาต่อลูกน้องของเขาอันนี้เราก็หาความไว้ใจไม่ได้ศินข้อสุราข้อสุดท้ายคนที่ดื่มสุราเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท อันนี้พระพุทธเจ้าเตือนไว้สีโทษอย่างขนาดหนักตัวสุราตัวสุดท้ายนี่ดื่มน้ําเมาเที่ยวกลางคืนเดี่ยวการเล่นเล่นการพนันเอาใบยมุกเป็นบอกเกิดแห่งความจิบหายผู้ที่จะมีทรัพย์สมบัติอยู่ก็จิบหายายพวงถ้าภูมิยังเล่นอบา ย, ยมุกแล้ว่าดื่มสุรากินสุราดื่มสุราเป็นอาจินอยู่อหาความสัตย์ความจริงไม่ได้ คนที่ดื่มสุราเพราะนั้นศีลของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์ที่เรายกประเด็นขึ้นมาอันนี้ก็คือทานศีลส่วนภาวานานั้นพระพุทธเจ้าทําไมสอนให้มีภาวานาการภาวานาทําจิตให้สงบทําจิตให้เป็นหนึ่งไม่ให้คิดปรุงฟุ้งซ่านไม่ให้คิดออกนอกหลูกนอกทางทําจิตให้สงบทําจิตให้เป็นหนึ่งคนที่จิตเป็นหนึ่งคนเฝ้าอยู่ในบ้านตลอดเวลา สติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาคนนั้นจะเป็นเป็นบ้าหรือว่าเป็นโรคประสาทคิดปุ่งฟุ้งไม่ได้มันมันเป็นไปไม่ได้คนมีสติอยู่กับตัวเองแปลว่าเป็นผู้มีสติธรรมากกว่านั้นก็บอาในหลักของพุทธศาสนามหาสติมหาปัญญามหาสติสตินี่เท่าจเจริญมากไม่มีเสียมันมีแต่จเจริญมีแต่ความ ถูกต้องดีงามแต่ถ้าศรัทธาเนี่ยเสียได้เดะทำไมเสียยังไงคนที่ศรัทธาออกนอกรูนอกทางนี่อขนโพลอะไรให้ก็เชื่อไปหมดศรัทธามากเนยเสียได้นะบางทีไปต้นกล้วยออกครึ่งลนี่ยกัไปกราบไปปักธูปหมาวัวควายพิกงพิการมาเนี่กไปกราบไปไหว้ไปปักธูปปักเทียนขอหวยขอเบอร์ตามที่ตรงเอง คิดว่าจะได้อันนี้บอกศรัทธาเสียหายนี่ใช่ศรัทธาพระพุทธเจ้าศรัทธาอย่างนั้นใช่ไม่ได้อันนี้ศรัทธาเนี่ยถ้าว่าใช่ไปในทางที่ผิดเนี่ยเกิดความเสียหายได้ปัญญาของเหมือนกันถ้าปัญญาคิดปรุงฟุงออกไปมากๆออกนอกลู่นอกทางเกินขอบเขตก็ทําให้เสียเสียได้เหมือนกันความเพียนก็เหมือนกันถ้าเพียนมากๆเพียนออกนอกลู่นอกทางเพียนพยายามที่จะขาดจะป่นจาก รักจะขโมยคนอื่นอันนี้ก็เพียนอย่างนี้ก็เสียหายอีกแต่สติมีสติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดเวลารอบรู้อยู่กับตัวเองตลอดเวลาอันนี้ไม่มีเสียไม่เสียหายคนที่มีสติอยู่กับตัวเองเหมือนกับคนเฝ้าบ้านดูตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในหลักของพุทธศาสนาท่านให้มีสติสมาธิก็ให้มีสติอยู่กับตัวเองกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เป็นหลักเบื้องตน้น เป็นกรรมฐานของพระพุทธเจ้าคนที่มีสติคนที่มีอนาปาทัสติกําหนดลมหายใจอยู่สติอยู่กับตัวเองกายและจิตของผู้นั้นจะไม่หวันไหวอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าภาษาริบูททันยืนยันอย่างนั้นถึงจะมีเสียงอะไรมา ก, ก, บบกระทบก็ตามทำกําหนดลมหายใจเข้าออกมีสติอยู่กายและจิตของผู้นั้นไม่หวันไหว ไม่สะทกไม่สะทานไม่วันไหวเพราะนั้นเรื่องภาวนาเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพุทธบริษัทบาสกุกบาสิกาพวกเราจากนั้นก็ใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะในส่วนต่างๆใช้ปัญญาพิจารณาเรียกว่าวิปัสสนาสมาธิก็คือทำจิตให้สงบเป็นหนึ่งส่วนวิปัสสนานั้นแยกแยะให้รู้เห็นตามความเป็นจริงร่างกายของเรามีอะไรบ้าง เกษาผมโลมาขนนักขาเล็กนัดทันตาฟันแต่โจหนังที่หนังหุ่มอยู่เนี่ยที่คนเราที่พวกเรานั่งอยู่เนี่ยหุ่มอยู่เนี่ยเป็นของที่สวยงามเป็นของที่มีสาระที่มีประโยชน์ที่ไม่ล้มหายตายจากไม่เท่าไม่แก่ใช่ไหมมันคงไม่เป็นอย่างนั้นมันก็ต้องแก่ไปตามสภาพสมัยก่อนเขาก็เป็นเด็กต่อมาก็เป็นเด็กหนุ่มเด็กสาวต่อมาก็กลางคนต่อมาก็เท่าแก่ชรา หูหนวกตาฟางังไปเรื่อยๆฟันหลุดผลในสุดก็ถึงเจ็บแล้วก็ตายตามการตามสมัยเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าร่างกายสังขารเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกขอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราทําไมจึงว่าไม่ใช่ตัวตนของเราของเราแท้ๆทาไมท่านพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะอะไรเพราะพระพุธทธเจ้าตรันว่าถ้าเป็นตัวของเรา เราบอกว่าอยาแก่มันบอกได้ไหมอย่าเจ็บบอกได้ไหมอย่าตายบอกได้ไหมบอกไม่ได้ในเมื่อบอกมันได้จะว่าเป็นของเราได้อย่างไรเพยนันท่านว่าร่างกายเนี่ยมันไหลไปตามสภาพถึงจะเป็นยังไงมันก็บอกไม่ได้ใช่ไม่ฟังเราเพียงแต่รับรู้รับทราบเป็นไปนั่นเอ ง, เองถึงจะเสียอกเสียใจถึงจะดีอกดีใจกับมันมันกับเพียงแค่นั้นนะร่างกาย ถึงขาวมันก็จะต้องแตกสลายในที่สุดอันนี้ก็คือการพิจารณาแยกแยะและกามาน้อมถึงใจอีกทีนึงใจน่นก็คือนามธรรมที่รับรู้ทื่องทั้งหมดเพราะพุทธเจ้าท่านเน้นหนักลงที่ใจสำระใจจุดใจคือสำระใจซักปอกใจของเราโดยตประธรรมคือปัญญาน่ ปัญญาละเอียดความเพียรละเอียดปัญญาละเอียดจนรู้แจ้งเห็นจริงถึงวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะจากนั้นก็จะได้ปล่อยวางไม่ใช่ปล่อยวางที่อื่นธรรมะของพระเจ้าปล่อยวางที่ใจรู้ที่กายรู้กายให้รู้กายว่านี่ยกายเนะี่ยไม่ใช่ตัวเรานะไออ้ขํามันบอกมันรู้พรรู้กายแนตะ่ท่า น, นก็รู้ใจใจรู้หัวใจรู้ก็ปล่อยที่ใจกนะันวางปล่อยวางที่ใจเพราะฉะนั้นพวกเรา ทุกทกท่านนะให้ตั้งอกตั้งใจบําเพ็ญภาวนาอย่าคิดว่าโลกอนี้เป็นโลกที่น่าอยู่อีกสักวันหนึ่งโลกอนี้จะเดือดร้อ น, นเดือดร้อนคือตัวของเรานั้นอนะ่ะภัยจะตามเข้ามาชราภัยพยาธิภัยมรณะภัยจะต้องตามถึงร่างกายของเราแน่นอนเพราะนั้นวันนี้ผมเองก็จะไม่พูดอะไรมากแลวก็จบการ ¿Por qué?